ยาซีเรียสเรื่องเลขเด็ด <M ess im ense> ลุงโต้แกไปหาพระทุดงซึ่งมาปักกลดที่ป่าช้า เฝ้ากราบแล้วกราบอีกอ้อนวอนว่าขอได้โปรดลูกช้างผู้ทุกยากด้วยเถิดขอรับลูกช้างอยากจนเลือกเกินไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารให้ลูกเมียกินนี่ลูกก็ตายหมดแล้วโยมไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินหรอพระทุดองถามขอรับพระคุณเจ้ากลิ่นเหล้า เหม็นคลุ้งออกมาจากป่าเออเก่งมากพระคุณเจ้าว่ากระผมเก่งกระผมเก่งอะไรหรือขอรับโกหกพระเก่งนะสิเงินมีซื้อเหล้าแต่ไม่มีเงินซื้อข้าวสารบางทีก็ไปแย่งเงินของลูกและภ ร, ริยามาซื้อเหล้ากินอีกเก่งเอาเปรยียบเขาใน่โยม แต่ลุงโต้งแกขจอมตื้อเช่นกันใครๆเขาพากันกลับหมดแล้วแกก็เฝ้าอ้อนวอนขอเลขสามตัวอยู่ร่ำไรนั่นแหละว่า้วยโปรดเธอขอรับพระคุณเจ้าสักสามตัวเถิดขอรับเช้ารอยพระท่านก็คงรำคาญจึงเขียนขยุกขยิกใส่กระดาษม้วนอย่างดีแล้วบอกว่าอย่าแอบเปิดดูตามทางนะ เลขจะหายหมดต้องไปถึงบ้านก่อนแล้วตั้งบูชาไว้บนหัวนอนรอจนถึงวันหวยออกจึงเปิดออกอ่านดูรับรองถูกแน่ลุงต้องได้สิ่งที่ต้องการก็กราบแล้วกราบอีกดีใจแทบหัวใจจะหยุดเต้นเดินตัวปลิวฝ่าความมืดกลับบ้านลืมกลัวผีที่ป่าช้าเสียสนิท ต่อมาลุงโต้งเฝ้ารอคอยด้วยความอยากรู้ว่าในกระดาษแผ่นนั้นมีเลขเด็ดอะไรและไม่ยอมบอกกับใครๆห้ามลูกหลานเข้าใกล้ที่นอนเป็นอันขาดในที่สุดวันที่ลุงโต้งรอคอยก็มาถึงแกแอบเข้าไปก้มกราบแล้วบรรจงหยิบขึ้นมาดูด้วยมืออันสั่นเทานึกเสียดายว่า พระธุดงท่านไปเสียแล้วถ้าอยู่นะเราจะถวายให้จุใจทีเดียวในกระดาษมีข้อความว่าเล่นมากเสียมากเล่นน้อยเสียน้อยไม่เล่นไม่เสียอย่าเล่นจะหมดตัวโธ่เอ้ยทำไมจึงเขียนอย่างนี้คิดว่าจะเป็นเลขสามตัว อุตสาห์หาเงินไว้ต่างหลายร้อยหวังจะยกโต๊ะให้เจ้ามือเจ๊งเลยแต่แกก็ยังดื้อตามนิสัยอุตส่าห์นับตัวพยันชนะสระวันในยุคหมดทุกตัวคิดว่าคราวนี้แหละถูกแน่แน่ึมมันใจตอนบ่ายวันนั้นผลปรากฏว่าเลขออกมาผิดหมด ลวงโต้งเสียดายเงินที่เสียไปเป็นกำลังพลันหูแก่ก็แววจำคำในกระดาษน้อยแผ่นนั้นเล่นมากเสียมากเล่นน้อยเสียน้อยไม่เล่นไม่เสียอย่าเล่นจะหมดตัวเมื่อเสียใจแกก็ระงับความเสียใจด้วยการกินเหล้าวันนี้แกจึงเมาหนักกว่าทุกวัน และเคราะร้ายได้ซ้ำเติมแกอย่างหนักคือคืนนั้นไฟได้ลุกไหม้กระท่อมของแกจนหมดสิน้นก็เพราะบุหรี่ของแกนั่นเองได้หล่นจากมือและลามไปติดฝาผนังที่ทำด้วยไปไม้ไปยา้าลูกเมียคลานหนีไฟได้ก่อนหลุงต้องแยกกว่าเขาเพราะกว่าแกจะงวงเงียลุกขึ้นออกมาได้ก็ลาบากเต็มที แกจึงได้สมบัติติดตัวมาเพียงสองอย่างเท่านั้นคือผ้าเขามาเก่าๆที่ขัดเตียวนอนอยู่ผืนหนึ่งกับมีดอิตโต้คู่ชีพอีกเล่มหนึ่งพระบอกแล้วว่าอย่าเล่นจะหมดตัวก็ไม่เชื่อแกบ่นด้วยความเจ็บใจตัวเองพรางทิ้งลูกและภริยาให้นั่งเมออยู่ใต้ต้นมะม่วงเพราะไม่รู้จะหาอะไรมาให้กินเย็นนี้และวันต่อไป แกก็เดินดุ่มเรื่อยไปอย่างไร้จุดหมายและเพิ่งจะมาสะดุ้งรู้สึกตัวเมื่อมีตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งวิ่งพรวดตัดหน้าแกไปทำให้แกรีบกวดตามไปติดๆด้วยคิดว่าเราได้อาหารมื้อเย็นแล้วตัวเงินตัวทองไม่เห็นหลงต้องกวดตามมามันก็ตกใจกระโดดลงลำห้วยตูมแล้วไหว้โผล่ ลุงต้งเห็นดังนั้นก็เงื้อมีดต้อขึ้นคว้างหมายใจจะให้ปักตรงกลางกระหม่อมมีดต้อปักเหมือนกันค่ะแต่ปักขอนไม้ที่ลอยน้ำมาลุงต้งแสนที่จะเสียดายจึงรีบลงน้ำไปเพื่อจะเก็บมีดต้อคู่ชีพทันทีฝ่ายเจ้าตัวเงินตัวทองก็นึกว่าลุงต้งจะตามมาจับในน้ำมันกลับเพนขึ้นบนบก วิ่งปราดเข้าไปในโพรงตะเคียนทำให้ลุงต้องล่าจากการเอามีดหันมาขึ้นบกวิ่งรีบไปที่โพรงไม้หันซ้ายหันขวารู้สึกปลอดคนแก่ก็แก้เอาผ้าคข้ามาอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายใช้อุดรูไม้ไว้แน่นเสร็จข้าละคราวนี้แกรำพึงอย่างดีใจลุงต้องเดินย่องย่อง อ้อมไปอีกด้านหนึ่งก้มลงแอบดูตามรูเล็กๆหยิบกิ่งไม้ไมาแย่ดูแต่เจ้าตัวเงินตัวทองตกใจโดดพรวดออกมาจากรูใหญ่ที่มันเข้าไปทำให้ติดภาคขม้าของลุงต้องไปด้วยมันโดดโครมดำน้ำหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตลุงต้องเห็นดังนั้นก็รีบโดดตามไปด้วยความเสียดายพาคขมา้า ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแต่เจ้ากรรมดันโดดไปเจอเข้ากับกอหนาซึ่งลอยตามกระแสน้ำมาโอ๊ยอ๊ ย, อ ย, อยแกร้องด้วยความตกใจปนกับความเจ็บปวดเจ็บทั้งหนาทิ่มแทงทั้งเจ็บใจเจ้าตัวเงินตัวทองที่ทำให้ตนเสียทั้งมีดโต้เสียทั้งผ้าขาวม้าสมบัติชิ้นสุดท้ายแกกระโปรกกรเปรีย้ย ขึ้นมาจากน้ำอย่างอ่อนแรงพรางหูแกก็แว่วจำคาในกระดาษที่พระธุดงได้ให้ไว้ว่าเล่นมากเสียมากเล่นน้อยเสียน้อยไม่เล่นไม่เสียอย่าเล่นจะหมดตัวเฮ่าคนเล่นหวยก็เหมือนกับคนไล่จับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้แหละนะไล่จับมันทั้งนี้ มันก็หนีไปทางโน้นไล่จับมันทางโน้นมันก็ดันหนีไปอีกทางไล่มันไม่จนสักทีผลที่สุดก็ไม่มีอะไรจะเหลือติดตัวเหมือนอย่างลุงต้งนี่แหละถ้าแกเชื่อพระธุดงแกก็จะไม่ต้องหมดตัวแบบนี้